มพสแผ่นที่25 MP ิสแผ่นนี้ให้กติธรรมหัวข้อว่าอริยธรรมนำอริยทรัพย์อริยธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือมัคคานําไปสู่อริยทรัพย์อริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐ อริยทรัพย์คือพวกเราเมื่อได้ศึกษาในอริยธรรมแล้วเราก็จะเดินไปสู่อริยทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นอริยทรัพย์เป็นสมบัติของพวกเราทุกๆคนถ้าหาว่าผู้มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความใฝ่ใจศึกษาในอริยธรรมแล้วก็พวกเราก็นำอริยธรรมเป็นมรรคาเดินไปสู่อริยสัพย์ เป็นสมบัติของตนเองอริยธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของกลางเป็นแผนที่แต่พวกเราได้นำแผนที่ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินตามแผนที่ที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้คืออริยธรรมแล้วพวกเราเดินตามแนวแถวอริยธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไปสู่อริยทรัพย์คือพวกเราจะค้นคว้าศึกษา แล้วปฏิบัติตามอริยธรรมแล้วพวกเราจะได้อริยทรัพย์มาของเข้าสู่จิตใจอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐคืออริยสงฆ์นับแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อันนี้เป็นอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้อริยสงฆ์อริยทรัพย์เหล่านี้ก็ต้องมี ศึกษาในอริยธรรมซะก่อนเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพยายามทำตามอริยธรรมของพระพุทธเจ้าพวกเราจะได้อริยทรัพย์ตามความมุ่งมาดปรารถานา MP3 แผ่นนี้ได้กล่าวคติธรรมเบื้องต้นขอขอยุติด้วยอานาจคุณภสีรัตนตรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์